จะหลอนขอนท่านผู้มีจิตรสตรทัทธามีความงามใสมีความศรทัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่ธันวาคมพุทธศักราสองพันห้าร้อยห้าสุบาเป็นวันที่ท่านทลายมีเวลาว่างจง ความจิตารต่างๆเจรได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญใส่บาทมารักษาศีลมาฟังเทศฝัฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมนันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้หรื อ, อยังไม่แน่ใจให้รู้และให้แน่ใจว่า กฎแห่งกรรมไม่มีจริงทำดีได้ดีทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบาปได้ไปอบายได้ไปนรกการที่ลวกเราอาจจะไม่เชื่อหรือไม่เห็นไม่รู้ก็เ พ, เพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเห็นร่างกายของเราเห็นร่างกายของคนอื่นเวลาตายไปแล้ว ร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครจะเป็นผู้ไปสวรรค์ใครจะไปผู้ไปเกิดในอบายไปตกนรกอันนี้เราไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะคิดว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีทำบุญแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วไม่ได้ตกนรกเราก็จะไม่กลัวบาปกัน แล้วเราก็จะกล้าทำบาปพอทำบาปแล้วเราที่คิดว่าเราเป็นร่างกายนี้ก็จะเป็นผู้ไปรับผลของบาปหรือบุญเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกแลกคิดต่างๆผู้ที่เป็นเจ้านายของร่างกายอีกทีหนึ่งเราเป็นคนสั่งให้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆให้พูดเวลาจะให้ทำอะไรอย่างวันนี้เราจะมาวัดเราก็สั่งให้ร่างกายมาวัดถ้าเราไม่สั่งร่างกายก็มาวัดไม่ได้ถ้าเราบอกว่าวันนี้ขี้เกียจขอนอนร่างกายก็ไม่มาวัดหรือเราบอกว่าให้ไปเที่ยวร่างกายก็จะไปเที่ยวร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้ หรือเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับคนขับนี่เป็นคนสั่งให้รถยนต์ไปตามสถานที่ต่างๆเวลาไม่มีคนขับรถยนต์ก็จอดอยู่เฉยๆเวลาคนขับไปชนรถขับรถไปชนคนตายตำรวจเขาก็ไม่จับรถยนต์ไปเข้าคุกเข้าตารางเขาจะจับคนขับไปเข้าคุกเข้าตาราง ชันใดตารวจของกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันเวลาเราทำบาปนี่เขาไม่จับร่างกายไปนรกหรือไปอบายแต่เขาจะจับเราคือใจนี้ไปเกิดในอบายต่อไปเวลาที่เราอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าตัวเราว่าใจผู้รู้ผู้คิดแต่พอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปดวงวิญญาณนี่แหละที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปดวงวิญญาณนี้รับผลบุญผลบาปนั้งแต่ร่างกายนี้ยังไม่ตายเวลาเราทำบุญแล้วเรามีความสุขใจอันนี้ก็เป็นผลของบุญและความสุขใจนี้เกิดจากการทำบุญเวลาเราทำบา เราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจเป็นผู้รับผลบุญผลบาปทันทีอย่างตอนนี้ใจของท่านทั้งหลายกําลังมีความสุขมีความสบายใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละคือผลที่เกิดจากการทําบุญหรือทำบาปหรือผลที่เกิดจากการมีกิเลสความโลภความโกรธความหลง ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันทีจะอยู่ไม่เป็นสุขเห็นอะไรอยากได้แล้วจะกังวลกังวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาความกังวลกังวายนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแล้วความดีใจก็จะมาแทนที่ชั่วคราวแต่หลังจากนั้นไม่นาน พอเกิดความโลภความอยากขึ้นมาใหม่ก็กลับมากังวลกวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับใหม่แล้วเวลาได้อะไรมาก็รักก็ห่วงก็ต้องมากังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับห่วงลูกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้แล้วเวลาเขาจากเราไปก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เรามี ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีใจของเราก็จะสบายอย่างตอนนี้เราไม่ได้โลภอยากได้อะไรเรานั่งอยู่เฉยๆได้ใจเราจึงมีความสบายเราฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็มีความสุขได้ดังนั้นพระพุทธจเจ้าจึงทรงสอนให้เรามา ทำในสิ่งที่จะเป็นสุขกับพวกเราแล้วละเว้นการกระทำที่จะทำให้เกิดความทุกข์กับพวกเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือร่างกายอันนี้ที่ยังไม่ตายไปและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ยังจะมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่เรามีร่างกายเหตุของความสุขก็คือหนึ่ง คือการทำบุญเหตุของความทุกข์ก็คือการทำบาปและการมีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเหตุของความสุขนอกจากการทำบุญแล้วก็เกิดจากการไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความอยากนี่คือเรื่องของกรรมเรื่องของสิ่งที่เราทำกันอยู่ ตลอดเวลาส่วนใหญ่เรามักจะไปทําบาปหรือไปทําความโลภความโกรธความหลงความอยากกันเราจึงไม่ค่อยมีความสุขกันใจเราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เพราะเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็ทุกข์กันไม่สบายใจกันแล้วก็อาจจะทําให้เราต้องไปทําบาป เพื่อจะทำให้เราสบายใจเช่น mm hmm. อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาเราก็อาจจะไปลักขโมยมาเพราะความอยากทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุข mm hmm. อยู่แล้วลำคาใจโ mm hmm. งดหหิดใจวุ่นวายใจ mm hmm. เลยต้องไปทำบาป mm hmm. เพื่อที่จะดับความวุ่นวายใจ mm hmm. ดับความไม่สบายใจต่างๆ กานที่จะมาดับความอยากที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจแต่เรากลับไปทำบาปด้วยการไปลักทรัพย์หรือการไปทำร้ายผู้อื่น mm hmm. เวลาใครเข้ามาทำให้เราไม่สบายใจเราก็คิดว่าวิธีที่จะทำให้เราสบายใจก็คือต้องไปทำร้ายเขาทำให้เขาเจ็บแล้วเราก็จะได้สบายใจแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำร้ายเราอีกเราก็ยิ่งจะไม่สบายใจใหญ่เวลาเราไปทำบาปเช่นถ้าเกิดเราไปฆ่าไค่นี้ฆ่าแล้วนี่เราจะทุกข์มากใจเราจะร้อนมากแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจอย่าไปอยากทำร้ายเขาอย่าไปอยากฆ่าเขาให้อภัยเขาแผ่เมตตาให้กับเขาใจของเราก็จะสงบเย็นมีความสุข โดยที่ไม่ต้องไปฆ่าเขานี่คือเรื่องของการกระทำของเราที่เราทำผิดกันแทนที่จะมาทำวิธีที่ถูกเรากลับไปทำวิธีที่ผิดแทนที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราด้วยการไม่ทำบากด้วยการไม่มีความโลภความโกรธความหลงเรากลับไปทำบาปเพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงกัน เราไม่รู้ว่าความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นเหตุที่ไปทำให้เราไปทาบาปกันถ er ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเราจะอยู่อย่างสบายอย่างตอนนี้พวกเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงกันเราจะอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจถ้าเกิดใครก็มาทำให้เราโกรธนี่เราจะ ใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องไปจัดการกับคนที่เขามาทำให้เราโกรธแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าความโกรธของเราเกิดจากความอยากของเราอยากไปทำร้ายเขาเพราะเขามาทำทร้ายเราพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราไปทำร้ายเขาจะไม่ทำให้ใจเรา สบายแต่กลับจะทําให้ใจเราทุกขุ่นวายเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขาเราให้อภัยเขาเราหยุดความอยากที่จะไปทําร้ายเขาได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาว่าคือถ้าเราไปทําร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทําร้ายเราแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขา เขาก็จะไม่มาทำร้ายเราและเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปคอยกังวลว่าเขาจะกลับมาทำร้ายเราหรือเปล่านี่คือเหตุที่ทำให้เราสร้างความทุกข์กันก็คือความโลภความอยากต่างๆนี่เองพอเราโลภเราอยากได้อะไรพอเราไม่ได้เราก็โกรธ เรากลแล้วเราก็ไปทำบาปกันไปทำร้ายผู้อื่นไปทาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วเขาก็จะกลับมาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแก้ปัญหาของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของพวกเรา <S <S เวลาเราทุกข์ใจเราต้องถามตัวเราว่าตอนนี้เรากาลังทุกข์กับเรื่องอะไร ทุกข์กับใครเช่นถ้าทุกข์กับสามีก็เราไปทำอะไรเขาได้หรือเปล่าเขาอยากจะทำอย่างนี้เช่นเขาอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินเหล้าอยากไปเล่นการพนันเราไม่อยากให้เขาไปเราก็จะทุกข์เราพูดกับเขาขอร้องเขาดีๆเขาก็ไม่ฟังเราแล้วจะให้เราทำอย่างไรจะจับเขามาขังก็ขังไว้เหรอ เอาเอ า, เอาโซ่ตรวนมาผูกมัดไม่ให้เขาออกไปเที่ยวไม่ให้เขาไปเล่นกายพนันเหรอเราก็ห้ามเขาไม่ได้วิธีที่จะแก้ก็คือเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ไปถ้าเราคิดว่าอยู่กับเขาแล้วจะทำความล่มจมเสียหายมาให้กับเรา เราก็อย่าไปอยู่กับเขาก็หมดเรื่องอเมื่อก่อนเราไม่อยู่กับเขาเราก็อยู่ได้ตอนนี้ทําไมเราต้องมาทุกขกับการอยู่กับเขาทําไมนี่คือวิธีแก้ปัญหาเราต้องมาแก้ที่ตัวเราเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นเพราะคนอื่นเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปแก้เขาไม่ได้ไปบอกให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเขาทาได้ก็ดีไปแต่เขาอาจจะไม่ทํา ถ้าเขาไม่ทำเราก็ต้องมาแก้ที่ใจเราเราอย่าไปอยากให้เขาเปลี่ยนอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะอยู่กันได้อย่างสบายใจปัญหาของความไม่สบายใจความทุกข์ใจของัวเราเนี้ยเกิดจากความอยากความโลภความโกรธแล้วก็พอเราโลภเราโกรธเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือความอยากของเราหรือความโกรธของเราเรากลับไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่คนหรือสิ่งที่เราต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไปแก้แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็อาจจะไม่พอใจเขาก็อาจจะกลับมาว่าเราทำร้ายเราได้แล้วเราก็อาจจะกลับไปทําร้ายเขาใหม่แล้วเดี๋ยวก็อาจจะถึงกับการฆ่ากันได้แล้วก็เป็นการทําบา ทำบาปแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจตามมาปัญหาของพวกเราคือเราไม่รู้สาเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของพวกเราว่าเกิดจากความโลภความอยากเกิดจากการทำบาปต่างๆแต่ถ้าเราไดมาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าสาเหตุของความ ทุกใจของความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากการกระทำของเราเองเกิดจากความอยากก็คือความคิดความคิดนี่ก็เป็นการกระทาอย่างหนึ่งพอคิดแล้วอยากได้แล้วก็ทำให้เราไม่สบายใจแล้วพอไม่สบายใจเราก็ไปทาบาปเพื่อให้เราสบายใจแต่แทนที่จะสบายใจกลับทำให้มีความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นเช่นเราอยากได้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินไปซื้อเราก็ไปขโมยสิ่งนั้นมาแทนที่เราจะมีความสุขใจเรากลับจะทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเรากลัวว่าจะต้องถูกเขาจับไปลงโทษนั่นเอง <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามาหยุดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นถ้าตอนนี้เรายังไม่มีปัญญาที่จะซื้อสิ่งนั้นได้ตอนนี้ก็หยุดความอยากไว้ก่อน เราให้มีเงินแล้วค่อยปล่อยความอยากออกมาเราก็ไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปทำบาปแล้วพอเราไม่ได้ขโมยเราไม่ได้ทำบาปเราก็จะสบายใจไม่เดือดร้อนเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษากันให้รู้เหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆว่าเกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงของพวกเราทั้งนั้น และเหตุที่จะทำให้พวกเรามีความสุขมีความสบายใจไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อน<ม>ก็คือการไม่มีความโลภความอยากไม่มีความโกรธความหลงนี่เอง<ม>วิธีที่จะทำให้เราไม่มีความหลง<ม>ก็คือต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วเราจะได้รู้ว่าทำไมเราจึงไม่สบายใจทำไมเราจึงสบายใจ เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำให้ใจเราสบายอยู่เรื่อยๆทำให้ใจเราไม่มีความไม่สบายใจให้เราทำความดีทำความดีแล้วมีความสบายใจอย่างวันนี้มาทำบุญทำบุญแล้วสบายใจไหมวันนี้เรารักษาศีลได้เราก็จะสบายใจเราไม่ได้ทำบาวันนี้ถ้าเราหยุดความโลภความโกรธความด๋องได้ทั้งวัน เช่นเรามานั่งสมาธิกันมาควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงถ้าเราควบคุมความคิดได้ความโลภความโกรธก็จะไม่เกิดเมื่อไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความไม่สบายใจก็จะไม่เกิดอย่างตอนนี้เราไม่มีความไม่สบายใจกันเพราะตอนนี้ความโลภยังไม่เกิดความโกรธยังไม่เกิดความหลงยังไม่เกิด ถ้าเกิดเราก็มีวิธีหยุดมันได้วิธีหยุดมันก็คือให้ใช้พุโทโธนี่บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหัดบริกรรมพุโทโธไว้เพราะพุโทโธนี่จะเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาเราต้องการหยุดรถเราก็ต้องเหยียบเบรกเวลาเราต้องการหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเราก็ต้องใช้พุโทโธนะหัดท่องพุโทโธกัน ถ้าเราไม่หัดไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเกิดความโลภความโกรธเราจะท่องพุโทโธไม่ออกเพราะเราไม่ได้ซ้อมเราไม่ได้หัดเราต้องหัดซ้อมท่องพุโทโธไปเรื่อยๆท่องไปทั้งวันเราไม่มีอะไรต้องทำต้องคิดเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจแล้วพอเวลาเกิดความโลภขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไป พอเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวเราก็ลืมเรื่องที่เราอยากได้และของที่เราอยากได้ละหรือเวลาที่เราโกรธหรือเสียใจเราก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธทําให้เราเสียใจแล้วเดี๋ยวเดียวความเสียใจก็หายไปความโกรธก็หายไปนี่คือวิธีที่จะทําให้เราดับความทุกข์ดับความไม่สบายใ จ, จตา่างๆ ด้วยการดับความโลภดับความโกรธด้วยการใช้พุทธโธเนี่ยพุทธโธนี้จะสามารถดับความโกรธความโลภต่างๆได้เวลามันเกิดขึ้นมาแต่เราต้องสร้างพุทธโธขึ้นมาก่อนเราต้องพยายามลำลึกถึงพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆลำลึกอยู่ภายในใจไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้เราคิดถึงพุทธโธพุทธโธไป แล้วต่อไปเราจะมีความชำนาญที่จะเรียกพุทธโธขึ้นมาได้เวลาโกรธเราก็ท่องพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวเดียวความโกรธก็หายไปเวลาโลกก็เหมือนกันเวลาเสียใจก็เหมือนกันเวลามีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราท่องพุทธโธพุทธโธได้เดี๋ยวความไม่สบายใจความกังวลใจต่างๆก็จะหายไปหมด เพราะเราจะหยุดความโลภหยุดความอยากได้นั่นเองนี่คือเรื่องของกรรมที่เรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้เราทำที่ใจเหล่านี้ทำที่ความคิดคิดแล้วก็เกิดความโลภความอยากขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราไปทาบาปกันถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากเราก็จะไปทำบุญกันเพราะเราจะเห็นว่าเรา มีเงินเหลือเยอะแยะไม่รู้จะทำอะไรเพราะเราไม่ได้เอาเงินไปซื้อของตามความโลภต่างๆซื้อแต่ของที่จำเป็นจึงทำให้เรามีเงินเหลือใช้กันเราก็เลยอยากจะทำบุญกันแล้วเราก็มาทำบุญกันพอเราทาบุญแล้วเราก็มีความสบายใจมีความสุขกันนอกจากทำบุญแล้วเรายังได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้แสงสว่างแห่งธรรม ได้ความรู้ที่เราจะสามารถเอาไปใช้กับชีวิตของเราเพื่อกำจัดความทุกมความวุ่นวายใ จ, จต่างๆให้มันหมดไปจากใจแล้วสร้างความสุขสร้างความสบายใจให้อยู่กับเราไปไเรื่อยๆถ้าใจเราสบายเวลาตายไปเราก็ไปสวรรค์ไปนิพพานกันถ้าใจเราไม่สบายใจเราทุกเราก็ไปอบายกันนี่คือ เรื่องของกฎแห่งกรรมมันจะเป็นสิ่งที่จะมาส่งให้ใจของเราไปสูงไปต่ำดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติให้เราทำบุญให้เราละบาปแล้วให้เรามาหยุดความโลภความโกรธความหลงกันถ้าเราทำได้ เราก็จะไปพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอนันตสาคกที่รอพวกเราอยู่ที่พระนิพพานถ้าพวกเราทำไม่ได้เราก็ยังจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอกีกตายแล้วก็ไปเกิดใหม่อาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานอาจจะไปตกนรกอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไปขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทากันดังนั้น ขอให้เราพยายามทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงและภพชาติของเราก็จะเป็นภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับเราจะไม่ไปสู่อบายกันเราจะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนในที่สุดก็จะไปถึงพระนิพพานนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับ จากการที่เรามาวัดจากการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามนำเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลที่ดีที่ยะตาง ม, มาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้